สารานิยธรรมสูตรเรื่องในภรษาที่เก้าของพระพุทธเจ้าที่แสดงมาแล้วนั้นเกี่ยวแก่ฝ่ายอาณาจักรส่วนที่เกี่ยวแก่ฝ่ายพุทธจักรก็มีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับความแบ่งแยกของคณะสงฆ์แต่จะยังไม่เล่าเรื่องเหล่านั้นจะนำมาแสดงเฉพาะสารานิยธรรมสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายในขณะที่ประทับอยู่ณโกสิตารามกรุงโกสัมพีฉะนั้นจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโกสัมพิยสูตรโดยความก็คือสารานิยธรรมสูตรนั่นเองใจความในประสูตร์นั้นว่าภิกษุทั้งหลายจะอยู่ด้วยกันควบคุมกันอยู่เป็นอันดีไม่วิวาทกัน มีสามัคคีพร้อมเพรียงกันมีเอกีภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เนื่องมาจากตามีความรักเคารพกันและกันจะมีความรักเคารพกันและกันก็ต้องปฏิบัติในธรรมที่ยังกันและกันให้ระลึกถึงกันด้วยความรักเคารพหกประการอันเรียกว่าสารานิยธรรมคือ 1. นึตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา 2. ง ตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา 3. ตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 4. แบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมให้เป็นสาธารณประโยชน์คือบริโภคร่วมกัน 5. มีศีลคือความประพฤติเสมอกัน 6. มีทิฏฐิคือความเห็นที่นำออกจากทุก์สม่ำเสมอกันทำทั้งหกประการ น, นี้ จะอธิบายเฉพาะสองข้อหลังสีลสามญญาณญตาข้อว่ามีศีลคือความประพฤติเสมอกันนั้นท่านแสดงลักษณะไว้ว่าศีลที่ไม่เป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญไม่ต้องลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่ไม่เป็นท่อนนั้นหมายถึงว่าไม่ขาด เหมือนอย่างแผ่นผ้าที่เป็นผืนเดียวกันผ้านั้นจะเป็นท่อนๆก็เพราะขาดออกจากกันสีนก็เหมือนกันที่ชื่อว่าเป็นท่อนก็หมายถึงว่าสีนขาดเพราะได้ประพฤติล่วงครบองค์ยกตัวอย่างปานาธิบาตการฆ่าสัตว์ทั่วไปนั้นมีองค์ห้าคือ 1. ่สัตว์มีชีวิต 2. อรู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. จิตคิดจะฆ่าส ทำความเพียรเพื่อจะฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความเพียร น, นั้นเมื่อได้ล่วงครบองค์ทั้งหประการนี้จนถึงสัตว์ตายลงไปเรียกว่าศีลขาดศีลเป็นท่อนศีลเป็นช่องนั้นคือไม่ถึงขาดแต่ว่าโว่เต็มทีเหมือนอย่างผ้าที่เป็นช่องโวยกตัวอย่างดังปานาทิบานั้นได้ล่วงจนถึงทำความเพียรเพื่อจะฆ่าแต่ว่าสัตว์ไม่ตาย หลุดพ้นไปได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่ชื่อว่าเป็นช่องศีด่างนั้นก็เหมือนอย่างผ้าด่างที่เป็นรอยใหญ่ๆแต่ว่าไม่ถึงกับขาดเป็นช่องได้แก่มีเจตนาคิดจะลุ้นแต่ก็ยังไม่ทันได้ลงมือพยายามชื่อว่าศีด่างศีพ้อยนั้นก็คือเหมือนอย่างผ้าที่เป็นรอยพลยได้แก่เมื่อรักษาศี แม้ไม่ถึงเจตนาจะล่วงแต่จิตก็ไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นปกติเช่นว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองแต่ก็ยังพอใจดูเขาฆ่าดูเขาทรมานสัตว์เรียกว่าพร้อยศีลที่จะเป็นศีลบริสุทธิ์นั้นต้องไม่เป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยอันหนึง่งศีลที่เป็นไทยศีลที่เป็นไทย หมายว่าไม่เป็นาธาตุของตันหาการรักษาศีลนั้นถ้ารักษาด้วยตันหาคือมุ่งจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นค่าตอบแทนเหมือนอย่างรับจ้างเขาทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค่าจา้างนี่ชื่อว่าเป็นาธาตุตันหาอีกอย่างหนึง่งตันหาในใจคอยบีบพันอยู่ทําให้ดิ้นรนที่จะออกไปจากศีลไม่เป็นสุขไม่ได้ความสงบ เหมือนอย่างถูกบังคับให้จำต้องอยู่ในศีลรักษาจิตให้สงบไม่ได้ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นท่าตัณหาเหมือนกันศีลที่บริสุทธินั้นต้องเป็นไทยคือไม่เป็นท่าตัณหาดังกล่าววินยูชนสัรเสริญก็คือผู้รู้สันเสริญผู้รู้นั้นหมายถึงตนเองซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้ก็ได้ ตนเองซึ่งเป็นผู้รู้นั้นก็คือเมื่อตนเองพิจารณาดูตนเองแล้วติเตียนตนโดยศีลไม่ได้ถ้าตนเองพิจารณาดูตนเองแล้วติเตียนตนเองได้ว่าเราไปรอบทํานั่นเราไปรอบทํานี่ซึ่งเป็นการผิดศีลหรือว่าทำศีลให้ด่างพร้อยนี่เรียกว่าตนเองติตนเองบางทีเมื่อไปทาอะไรที่ไม่ดีมากๆเข้าไม่อยากนึกถึงตัวเองก็มี พอนึกเข้าแล้วเกลียดตัวเองนี่เรียกว่าตนเองซึ่งเป็นผู้รู้ติเตียนตนเองผู้อื่นซึ่งเป็นผู้รู้นั้นก็คือบุคคลอื่นซึ่งได้อยู่ร่วมกันและได้เห็นความประพฤติของกันและกันใครครวรรู้ผิดรู้ถูกศีลที่จะบริสุทธิ์นั้นต้องเป็นศีลที่วินโยชนสรรเสริญตัณฑ์ไม่ได้อันหนึ่งศีลที่ยังมีตันหาเป็นนายครอบงามจิตใจอยู่ ต้องเป็นศีลที่ต้องคอยระมัดระวังอยู่เสมอตอนเองเผลอตัวเมื่อใดก็ประพฤติล่วงศีลเมื่อนั้นประพฤติบกพร่องเมื่อนั้นนี่ก็เพราะตันหาความดิ้นรนในใจคอยชักตนออกไปจากศีลตันหาคอยขยี้ขยำศีลอยู่เสมอและตนเองก็ต้องคอยระมัดระวังศีลอยู่เสมอปล่อยไม่ได้บางทีคนอื่นก็ต้องไปช่วยระมัดระวังคือต้องไปคอยช่วยดูแล ความหมายของคําว่าอุปชายะก็คือผู้ดูแลอาจารย์ก็คือผู้ประพฤติโดยเอื้อเฟื้อโดยความก็คอยช่วยดูแลเหมือนกันแม้สหธรรมิกผู้ประพฤติทำด้วยกันโดยฐานเป็นภิกษุ ด, ด้วยกันก็ปวารณาคืออนุญาตให้ตักเตือนซึ่งกันและกันนี่ก็เพื่อจะได้คอยช่วยดูแลกันและกันศีลที่บริสุทธินั้น จะต้องเป็นศีลที่ไม่ถูกตันหาคอยบีบคั้นคอยลูกคลำและตนเองก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครองคนอื่นก็ไม่ต้องคอยรักษาคุ้มครองเป็นศีลที่เป็นปกติขึ้นในตัวเองดังมีคำเรียกว่าศีลรักษาแต่เรียกศีลที่ยังต้องถูกลูกคลำว่ารักษาศีลคือต้องคอยเฝ้ารักษาศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ คือเป็นบาทที่จะให้เกิดสมาธิจิตคือจิตที่ตั้งมั่นได้แต่ไม่ใช่เป็นชนิดที่ทำให้จิตฟุ้งซ่านกระสะับกระส่ายสีลที่จะเป็นบาทของสมาธิก็จะต้องประกอบด้วยลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นการปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีสีลสม่าเสมอกับด้วยเพื่อนสห ร, รมจรีทั้งหลายดังที่กล่าวมาเรียกว่าสีละสามั ญ, ญตาความมีศีลเสมอกันทิติสามั ญ, ญตา ส่วนก็ห6มีทิฏฐิคือความเห็นที่ออกจากทุกเสมอกันหมายความว่าทำทิฏฐิความเห็นของตนให้เป็นความเห็นที่ดีอันเรียกว่าอารยะประเสริฐหรืออรยะให้เป็นความเห็นที่นำออกจากทุกคือว่าทำให้ถึงความสิ้นทุก์ขได้โดยชอบความเห็นดังกล่าวมานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่ตั้งใจคอยป ร, รับปรุงทาความเห็นของตนให้ตรงต่อพระธรรม และพระพินัยอยู่เสมอถ้าจะมีความเห็นที่แตกแยกออกไปจากร่องรอยที่ถูกที่ชอบก็ต้องคอยเกียรติกันความเห็นเช่นนั้นออกไปประคับประคองความเห็นของตนให้อยู่ในร่องรอยที่ถูกที่ตรงดังกล่าวมาแล้วของตน้นในพระสูตรนี้ได้ชี้ลักษณะแห่งความเห็นดังกล่าวไว้7ประการคือ 1. อบรมธรรมทิฏฐิคือความเห็นที่ปราศจากนิวรณ์กลุ่มรุมจิต และไม่ให้คิดวุ่นวายอยู่กับเรื่องของความคิดในโลกนี้เรื่องของความคิดในโลกหน้าที่ไรประโยชน์ไม่ให้เห็นกลุ่มกลัดอยู่ในเรื่องที่จะก่อการทะเลาะวิวาท 2. ออบรมทำความเห็นที่จะให้เกิดความสงบที่จะให้เกิดความดับกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ 3. อบรมทำความเห็นที่จะไม่ออกไปนอกทางแห่งพระธรร ม, มวินัย 4. อบรมทำความเห็นที่จะให้มีความสังวรในศีลเมื่อต้องอาบัติก็ต้องรีบออกจากอาบัตินั้นด้วยการรีบแสดงไม่ปกปิดไวเหมือนอย่างเด็กอ่อนเอามือเท้าไปถูกฐานเพลิงเข้าก็ต้องรีบชักมือเท้าออก 5. อบรมทำความเห็นที่จะให้ขวนขวายศึกษาในอธิศีลในอธิจิตในอธิปัญญา แม้จะช่วยทำกิจการของหมู่คณะของเพื่อนสหพ ร, รมจารีอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ละทิ้งในการศึกษาของตนเหมือนอย่างแม่โคลูกอ่อนไม่ทิ้งลูกหกอบรมทำทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดกำลังในอันที่จะฟังทำได้ 7. อบรมทิฏฐิคือความเห็นที่จะให้เกิดกำลังที่จะได้ความรู้ในเนื้อความความรู้ในหัวข้อธรรม ทั้งที่จะให้เกิดปีติปราโมทย์ประกอบด้วยธรรมโดยเฉพาะข้อหกอบรมทำความเห็นที่จะให้เกิดกําลังฟังธรรมได้นั้นดูเผลินก็คล้ายไม่มีความหมายแต่ว่าถ้านึกดูก็จะรู้สึกว่าการฟังธรรมนั้นไม่ง่ายนักเพราะโดยมากธรรมะเป็นเรื่องไม่สนุกเมื่อฟังธรรมก็มักจะหมดฉันท h หมดความภาคเพียงที่จะฟังการที่จะฟังธรรมได้นั้นจึงต้องมีกำลังใจที่จะฟังได้กล่าวคือจะต้องมีฉันทะจะต้องมีความภาคเพียงเป็นต้นถ้าขาดข้อนี้เสียแล้วก็ไม่สามารถจะฟังธรรมได้โดยเฉพาะก็จะต้องมีหนึ่งเงี่ยโสดลง 2. ประมวลใจทั้งหมด 3. ทําธรรมะที่ฟังไว้ในใจและสี่ ทำให้เป็นประโยชน์หรือทำให้มีประโยชน์ข้อสนี้ก็หมายความว่าพยายามหาประโยชน์จากธรรมะที่ฟังให้จงได้ไม่มากก็ น, น้อยเพราะเมื่อฟังแล้วก็ควรที่จะให้ได้ประโยชน์บ้างถ้าไม่ได้ประโยชน์เลยก็เสียเวลาการที่จะทำให้เป็นประโยชน์ได้บ้างนั้นก็ต้องอาศัยการที่จะรู้จักเลือกถือเอาโดยที่ไม่ไปตั้งความชอบหรือตั้งความชังไม่เป็นเบื้องหน้า แต่ว่ามุ่งที่จะหยิบเอาทมอันเหมาะแก่ตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้มากสักนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นลักษณะข้อสคือการทำให้เป็นประโยชน์นี้จึงเป็นข้อสำคัญสารานิยธรรมทั้งหประการนี้ข้อที่6ท่านแสดงว่าเป็นข้อยอดของข้ออื่นภิกษุชาวโกสัมพีสังกเพท ในขณะที่เสด็จอยู่ที่กรุงโกสัมพีนี้ได้มีเรื่องบังเกิดขึ้นเกี่ยวแก่บพิสุตสง์มีเล่าไว้ในคำภีรไวในปิดกโกสัมพิกะขันตกะซึ่งมีความย่อว่าในขณะที่พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณโคสตา ร, รามในกรุงโกสัมพีมีพิสุรูปหนึ่งต้องอาบัตและก็เห็นว่าเป็นอาบัต แต่พิสูจ์อื่นเห็นว่าข้อนั้นไม่เป็นอาบัตต่อมาพิสูจน์นั้นก็พลอยเห็นตามไปว่าไม่เป็นอาบัตแต่ว่าพิสูจน์อื่นที่เคยเห็นว่าไม่เป็นอาบัตนั้นก็กลับเห็นใหม่ว่าเป็นอาบัตคราวนี้จึงได้พากันไปบอกพิสูจ์ที่ต้องอาบัตว่าท่านต้องอาบัตท่านเห็นอาบัตนั้นไหมท่านรูปนั้นก็ตอบว่าผมไม่มีอาบัตตามที่ผมเห็นฝ่ายพิกษุที่ยืนยันว่าเป็นอาบัตต่อมาก็ชักชวนกัน ได้ความพร้อมเพรียงกันทําการยกวัดพิสูจที่ต้องอาบัตินั้นที่เรียกว่ายกวัดนั้นบาดีว่าอุเคปเ น, นีกัมกรรมคือการยกวัดหมายความว่าถ้ามีพิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัตแล้วไม่เห็นว่าเป็นอาบัตภิกษุอื่นว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ยอมฟังสงก็มีอํานาจประกาศกันและกันยกพิสูตรูปนั้นออกจากความมีสิทธิเสมอกัน คืองดไม่ทําอุโบสถด้วยกันไม่ทําปวารณาด้วยกันไม่ทําสังฆกรรมด้วยกันไม่อยู่ร่วมกันไม่ไหว้กราบกันแปลว่างดการที่จะปฏิบัติวินัยกรรมทุกอย่างงดที่จะแสดงความเคารพนับถือทุกอย่างเหมือนอย่างคัดออกไปเป็นบุคคลภายนอกปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ายกวัดภิกษุที่ถูกยกวัดนั้น ถ้าต่อมาได้เห็นโทษและมาแสดงความเห็นโทษแก่สงฆ์สงฆ์ก็อาจจะประกาศยกเลิกการยกวัดนั้นและรับเข้ามูมีสิทธิ์ในวินัยกรรมเป็นต้นเสมอกันเหมือนดังเดิมเรื่องการยกวัดนี้ไม่ได้มีทำกันบ่อยนักแต่ตามเรื่องที่เล่าในเรื่องนี้ภิกษุที่ยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอาบัตแน่ก็พร้อมกันประชุมสงฆ์และประกาศยกวัดเลยคือว่า ตัดจากความอยู่ร่วมกันดังที่กล่าวแล้วนั้นแต่ว่าพิสูตรโรคที่สงยกวัดนั้นเป็นพระหูสูตรคือเป็นผู้ได้เล่าเรียนศึกษามามากเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยเป็นผู้ฉลาดและเป็นลัทธิคือเป็นผู้ที่ละอายบาปกลัวบาปรังเกียดสงสัยใคร่การศึกษาหมายความว่าเป็นพระพิกษุที่เคร่งครัดองหนึ่งแต่ว่าท่านไม่เห็นว่าเป็นอาบัต เพราะฉะนั้นเมื่อท่านถูกยกวัดท่านจึงไปหาพระภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายกันและก็เล่าความให้ฟังว่าท่านไม่ได้เป็นอาบัติแต่ว่าถูกยกวัดด้วยกรรมที่ไม่เป็นธรรมซึ่งใช้ไม่ได้เรียกว่าเป็นกรรมที่กำเริบไม่ควรแก่สถานะและก็ชักชวนให้บรรดาพระเหล่านั้นเข้าเป็นพวกฝ่ายภิกษุที่เป็นเพื่อนสหายก็เห็นด้วยและก็เข้าเป็นพวกกับท่าน และก็ยังพากันส่งข่าวไปถึงพระที่อยู่ยังชนบทที่เป็นฝ่ายเดียวกันชักชวนกันมาเข้าพวกเมื่อเป็นเช่นนี้พระก็เลยเป็นสองพวกคือเป็นพวกที่ประกอบพิธียกวัดพวกหนึ่งและก็เป็นพวกที่ถูกยกวัดอีกพวกหนึ่งฝ่ายภิกษุที่เป็นพวกท่านที่ถูกยกวัดก็ได้เข้าไปหาภิกษุที่เป็นฝ่ายยกวัดและก็ได้กล่าวหาว่าภิกษุรูปนั้นไม่เป็นอาบัต แต่ก็ถูกสงยกวัดโดยไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการกระทําที่ใช้ไม่ได้แต่ฝ่ายภิกษุที่เป็นผู้ยกวัดก็ยังยืนยันว่าภิกษุรูปนั้นต้องอัปบาทจริงๆ จ, จึงถูกยกวัดด้วยกรรมที่เป็นธรรมไม่ใช่ว่าไม่เป็นธรรมก็เป็นอันว่าทั้งสองฝ่ายนั้นก็คงยืนยันในความเห็นในความปฏิบัติของตนคราวนั้นก็ได้มีภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระกุธเจ้า และก็ได้กราบทูลเล่าเรื่องให้พระองค์ทรงทราบโดยตลอดพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแปล่งอุทานขึ้นว่าภิกษุสงแต่กันแล้วก็ได้เข้าไปพบพิกษุฝ่ายที่เป็นผู้ยกวัดและก็ได้ตรัสโอวาทโดยความว่าท่านทั้งหลายอย่าได้สาคัญว่าพิกษุควรจะถูกยกวัดโดยเพราะเหตุข้อใดข้อหนึ่งด้วยความคิดที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ถ้าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตจริงแต่ว่าเธอเห็นว่าไม่เป็นอาบัตส่วนภิกษุอื่นเห็นว่าเป็นอาบัตถ้าภิกษุเหล่านั้นรู้อยู่ว่าท่านองค์นี้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยเป็นผู้ที่เคร่งครัดใครการศึกษาถ้าเราจะยกวัดท่านคือไม่ทำอุโบสถกับท่านไม่ทาประวารณากับท่านเม่นั่งร่วมอาสนากับท่าน ไม่ทำสังกกรรมอื่นๆกับท่านไม่ติดต่ออะไรกับท่านทั้งหมดก็ <k _ d ata> จะเกิดความทะเลาะวิวาทแก่งแย่ตลอดจนถึงเกิดความแตกแยกแห่งสงฆ์ความร้าวรานแห่งสงฆ์ขึ้น <k _ d ata> เมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้หนักใจในการที่จะเกิดแตกแยกกัน <k _ d ata> ก็ยังไม่ควรที่จะยกวัดเธอ <k _ d ata> เพราะข้อที่ไม่เห็นอาบัตนั้นทันทีคราวนี้ส่วนพิษุที่ต้องอาบัตแล้ว ก็ไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแต่ว่าพิสูจน์อื่นๆเห็นว่าเป็นและพิสูจน์เหล่านั้นก็พากันไปบอกกล่าวว่าเป็นอาบัตเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ไม่ควรที่จะดื้อดึงไปทีเดียวแม้จะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตแต่เมื่อส่วนมากก็เห็นว่าเป็นก็ควรจะเชื่อเขาบ้างแล้วก็แสดงอาบัตอันเสียเมื่อปฏิบัติดังนี้ก็จะไม่เกิดการแตกแยกแต่ว่าถ้ายังยืนยันอยู่ ก็จะเกิดความแตกแยกกันดังที่กล่าวมาแล้วฉะนั้นเมื่อเธอหนักใจอยู่ว่าจะแตกแยกกันและประสงค์ที่จะมีความโกลมเกลียวกันก็ควรที่จะแสดงอาบัตินั้นด้วยศรัทธาคือด้วยความเชื่อต่อพิสุจน์เหล่าอื่นแม้ว่าตนจะเห็นว่าไม่เป็นอาบัติก็ตามพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่พิสจน์ทั้งสองพวกนั้นแล้วก็ได้เสด็จกลับก็ปรากฏว่า ภิกษุทั้งสองพวกนั้นก็ยังไม่ยอมที่จะปรล อ, องกันยังตกลงกันไม่ได้จนถึงแยกทำอุโบสถกันคือว่าภิกษุที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัดทําอุโบสถทําสังฆกรรมภายในสีมาแต่ว่าภิกษุฝ่ายที่เป็นผู้ยกวัดออกไปทาอุโบสถทําสังฆกรรมภายนอกสีมาเมื่อแยกกันทำอุโบสถ ด, ดังนี้ก็เป็นอันว่า ภิกษุสงฆ์ได้เกิดแตกแยกกันขึ้นที่เรียกว่าเป็นสังฆ เ, เภทความแตกแห่งสงฆ์สังฆเภทความแตกแห่งสงฆ์นั้นเมื่อท่านอุโบสถแยกกันดังนี้จึงจะเรียกว่าเป็นสังฆเภทขึ้นนานาสังวาสกัสมาณสังวาสกัภิกษุเหล่านั้นก็ได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าถึงเรื่องที่ตนได้ปฏิบัติกันนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า ภิกษุที่เป็นฝ่ายท่านที่ถูกยกวัดทำอุโบสถสังฆกรรมภายในสีมาก็ใช้ยติและอนุสาวนาตามที่พระองค์ได้ทรงมัญญัดไว้กรรมของเธอก็เป็นธรรมไม่กำเริบควรฐานะคือว่าใช้ได้คราวนี้ส่วนภิกษุอีกพวกหนึ่งที่ไปทำอุโบสถสังฆกรรมภายนอกสีมาใช้ยติและอนุสาวนาตามที่ทรงมัญญัดไว้เช่นเดียวกัน กรรมก็คงเป็นธรรมใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าภิกษุทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันต่อจากนี้ก็ได้ตรัสว่าภูมิของภิกษุที่เป็นนานาสังวาสกะนั้นมีสองอย่างคือว่าหนึ่งตนทมตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะสองสงพร้อมเพรียงกันยกวัดภิกษุนั้นเพราะไม่เห็น ไม่กระทําคืนหรือว่าไม่สลักคืนอาบัตส่วนภูมิของพิสุผู้เป็นสมานสังวาสกะคือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันก็มีสองเหมือนกันคือว่าต้นกระทําให้เป็นสมานสังวาสกะและสงพร้อมเพรียงกันได้เรียกพิสุนั้นที่ถูกยกวัดแล้วนั้นในเพราะไม่เห็นไม่กระทําคืนหรือไม่แสดงคืนอาบัตเข้าหมู่ ตามพระบาลีในที่นี้มีอยู่สองคำคือนานาสังวาสกะกับสมานาสังวาสกะนานาสังวาสกะแปลว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมต่างกันสมานาสังวาสกะแปลว่าภิกษุผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันเสมอกันภิกษุสองฝ่ายตามเรื่องนี้เมื่อเกิดแตกความเห็นกันขึ้นจนถึงไม่ลงโบสถ์กัน เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันและเหตุที่จะทำให้เป็นนานาสังวาสกะนั้นก็มีสองอย่างคือว่าตนเองกระทาตนเองอย่างหนึง่งแล้วก็สงยกวัดอีกอย่างหนึง่งตามเรื่องที่เล่ามานี้ภิกษุที่ถูกยกวัดที่เป็นต้นเรื่องนั้นสงยกวัดไม่ลงโบสถ์ด้วยแต่ว่าพักพวกที่สนับสนุนนั้นทำตนเองให้เป็นนานาสังวาสกะ ประเมเข้าไปเข้ากับท่านสนับสนุนท่านแยกออกไปอีกพวกหนึ่งและก็มาลงโบสถ์กับอีกพวกหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายยกวัดภิกษุทั้งสองฝ่ายนี้ที่เป็นนานาสังวาสกะของกันและกันต่างก็เป็นภิกษุที่ได้อุปสมบทมาโดยถูกต้องมาในพระธรรมวิ น, นัยนี้และก็ปรากฏว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดไครการศึกษาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเกิดมีความเห็นแตกต่างกันขึ้น จนถึงเป็นเหตุให้แยกเป็นสองฝ่ายและเมื่อแยกกันแล้วก็เลยแยกกันจนถึงแยกกันทําอุโบสถสังฆกรรมเป็นต้นจึงได้เกิดเป็นน า, นานาสังวาสกะกันขึ้นส่วนภิกษุเมื่อเป็นช น, นีแล้วจะกลับเป็นสมาณสังวาสกะคือมีทําเป็นเครื่องอยู่ร่วมเสมอกันก็มีได้โดยเหตุ2ออย่างคือตอนเองทาตนเองให้มีสมาสังวาสกะ สงระงับการยกวัดเรียกภิกษุนั้นเข้าหมู่เหมือนอย่างเดิมดังที่จะบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งสองฝ่ายนี้ในภายหลังเมื่อภิกษุสง์ได้เกิดแตกแยกขึ้นเป็นสองฝ่ายพระพุทธเจ้าได้ประทานโอวาทเพื่อระงับแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นก็ยังไม่ปรองดองกันและก็มีกระทบกระทั่งกันด้วยวาจาบ่อยๆก็เนึ่งมาจากฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาว่า อีกฝ่ายหนึ่งต้องอาบัตแล้วไม่เห็นอาบัตส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็กล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่ายกวัดโดยไม่เป็นธรรมเพราะว่าองค์ที่ถูกยกวัดนั้นไม่เป็นอาบัตอะไรสมุดฐานก็เนื่องมาจากพระพุทธบัญญัติที่ทั้งสองฝ่ายก็นับถือปฏิบัติกันอยู่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงบังคับแต่ก็ทรงชี้ทางเพื่อปฏิบัติ ด, ดังที่ได้เล่เลามาแล้วในฐานะที่ทรงเป็นพระศาสดาถ้าจะทรงบังคับ ก็น่าจะได้แต่ก็ไม่ทรงบังคับก็เพราะเกี่ยวแก่ต้องสองฝ่ายนั้นก็มีศรัทธาอยู่ในพระพุทธบัญญัติเคร่งครัดอยู่ในพระวินัยด้วยกันแต่เมื่อได้ลงความเห็นลงไปแล้วอย่างนั้นถ้ายังไม่ถอนความเห็นนั้นถึงใครจะบังคับก็อาจจะบังคับได้แต่ในภายนอกส่วนความเห็นนั้นก็ยังมีอยู่ก็จะเป็นโมลที่จะแตกร้าวกันต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องการแตกความเห็นกันนี่เป็นเรื่องสาคัญ แม้จะบวชมาในพระธรรมวินัยเดียวกันและนับถือปฏิบัติในพระธรรมวินัยเดียวกันและถึงจะเคร่งครัดอยู่ด้วยกันแต่ลงได้แตกความเห็นกันในปัญหาพระวินัยและในการปฏิบัติพระวินัยแล้วก็เป็นทางให้แตกแยกกันได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุที่เป็นนานาสังวาสกะว่าตนเองพระธรรมตนเองหรือว่าสงฆ์ยกวัดในเรื่องที่เรามานี้ มีทั้งสองพิกษุที่ถูกทรงยกวัดนั้นมีองค์เดียวคือที่เป็นต้นเรื่องเท่านั้นนอกจากนั้นนับเข้าในเหตุว่าตนเองทําตนเองคือฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนพิกษุที่ถูกสงยกวัดอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ยกวัดสนับสนุนในฝ่ายนั้นและความเป็นนานาสังวาสกะกันนี้คือว่าไม่ลงโบสกันนี้จะสงบไปได้ก็ต่อเมื่อตนทําตนเอง ให้เป็นสมาณาสังวาสกะกันถ้าภิสุที่ถูกสงยกวัดก็สงนั้นเองเป็นผู้ที่ระ ง, งับการยกวัดนั้นแล้วก็กลับเข้าหมู่ตามเดิมพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติพระวินัยบางข้อสําหรับปฏิบัติเกี่ยวแก่พิสุในขณะที่เป็นนานาสังวาสกะกันเพื่อป้องกันการวิวาทเป็นต้นว่าทรงบัญญัติให้พิสุนั่งในอาสนะที่มีอาสนะอื่นขั้นอยู่ในระหวา่างก็เพื่อว่าเมื่อวิวาทกัน ก็ไม่ต้องการให้นั่งใกล้กันให้มีภิกษุอื่นมานั่งขั้นเสียในระหว่างระหว่างแต่ว่าถึงกระนั้นความแตกร้าวกันนั้นก็ยังดาเนินไปอยู่จนถึงภิกษุรูปหนึ่งได้ไปกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงระงับเรื่องราวนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปอีกและก็ได้ประทานโอวาทสั่งสอนไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันก็มีภิกษุที่เป็นอธรรมวาที คือเรียกว่าพูดไม่เป็นธรรมรูปหนึ่งก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าขอให้พระพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระธรรมสามีทรงรออยู่เกอะพวกพิสุเหล่านี้จักยังไม่ปรองดองกันต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีความขนขวายน้อยทรงประกอบการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันสาหรับพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ประทานพระโอวาท ห้ามเป็นครั้งที่สองที่สามแต่ก็ได้มีพิสุกราดทูลเหมือนอย่างนั้นเป็นครั้งที่สองที่สามพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเล่าเรื่องที่เป็นไปแล้วมาเป็นตัวอย่างประทานพระโอวาทซึ่งพระอาจารย์ได้รจนาไว้มีความว่าที่ขาวุกูมา